นั่งสมาธิมาหลายปียังฟุ้งซ่านเหมือนเดิมเพราะตั้งเป้าแรกไว้ผิดคนส่วนใหญ่นั่งสมาธิรลบ่นว่ากี่ปีก็ไปไม่ถึงไหนยังฟุ้งซ่านเหมือนเดิมนั่นเพราะตั้งเป้าแรกไว้ผิดนั่งทุกครั้งบังคับตัวเองเอาความสงบทุกครั้งซึ่งก็เท่ากับพอกพูนเหตุให้ฟุ้งซ่านเพิ่มทุกครั้ง เพราะความอยากบังคับเอาอย่างใจคือเหตุแห่งความกระวนกระวายระสามระสายไม่ใช่เหตุให้ชะลอความกวัดแกงลงสู่ความสงบระ ง, งับแต่อย่างใดเลยความสงบเป็นสิ่งที่จะเกิดเองเมื่อถึงเวลาถึงพร้อมซึ่งเหตุปัใจจัยให้จิตไม่กวัดแกงเป็นเรื่องที่ควรคาดหวังไวท้ท้ายไม่ใช่ต น, ตน สำหรับชาวเมืองที่มีเหตุให้จิตว้าวุ่นทุกวันการตั้งเป้าหมายในช่วงต้นแทบจะเป็นตัวตัดสินว่าจะนั่งสมาธิหรือเดินจงกรมสำเร็จหรือไม่ตั้งไว้ถูกก็ได้ทิศทางถูกตั้งไว้ผิดก็ได้ทิศทางผิดการทำสมาธิแบบพูดนั้นจุดมุ่งหมายสูงสุดคือพลิกจิตขึ้นเตื่นรู้ความจริงในตน ดังนั้นเมื่อจะนั่งสมาธิหรือเดินจงกรมแต่ละครั้งถ้าตั้งเป้าไว้ว่าจะรับรู้ความจริงทั้งดีและไม่ดีก็จะเกิดสติรู้ความจริงทุกครั้งไม่มีครั้งไหนที่สูญเปล่าเลยด้วยมุมมองที่ถูกและความเข้าใจที่ตรงคุณจะรู้ว่าถ้าไมากระหายใครอยากความฟุ้งจะเท่าเดิมหรือไม่ ก็ลดระดับลงเองด้วยมุมมองที่ถูกและความเข้าใจที่ตรงคุณจะรู้ว่าถ้าเปรียบเทียบไปเรื่อยๆแบบไม่หวังผลลมหายใจต่อลมหายใจจะเห็นความฟุ้งซ่านไม่เท่าเดิมด้วยมุมมองที่ถูกและความเข้าใจที่ตรงคุณจะรู้ว่าเมื่อเห็นความฟุ้งซ่านไม่เที่ยง ไม่เท่าเดิมใจจะถอยออกมาเป็นผู้ดูไม่ใช่พุ่งเขายึดเอาความฟุง้งซ่านด้วยมุมมองที่ถูกและความเข้าใจที่ตรงคุณจะรู้ว่าตั้งต้นมุมมองไว้ถูกเสมอก็จะได้ผลลัพธ์ที่ถูกเสมอผลคือรู้ว่าข้างในนี้จะดีก็ไม่เที่ยงไม่ดีก็ไม่เที่ยง ด้วยมุมมองที่ถูกและความเข้าใจที่ตรงคุณจะรู้ว่านั่งสมาธิทุกครั้งต้องได้ผลสงบเบาไม่เว้นแม้แต่ครั้งเดียว